บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปและกล่าวถึงเรื่องอวิชชาสังโยชน์ซึ่งเป็นที่มาของสัพพกิเลสทั้งหลายและเป็นกิเลสข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าพระหันทะนันทิจะละได้เด็ดขาด คนนอกนั้นจะเพียงแต่ลดความรุนแรงของอวิชชาลงไปเท่านั้นเองเนื่งจากที่กล่าวมาแล้วจะสังเกตได้ว่าลักษณะของวิชาจะมีสักษามระดับใหญ่ๆระดับแรกเป็นเรื่องของความมืดบอดจริงๆเป็นการกระทำอะไรไปทำความรู้สึกโลภโกรธโงงที่รุนแรง เป็นพฤติกรรมที่ไม่สำนึกรับผิดชอ บ, บอก็เกิดเป็นรูปของกะลียุครูปของการจลาจนรูปของการฆ่าล้างพผ่าพันธุ์ต่างๆเป็นต้นที่กล่าวโดยรวมก็คือเกิดขึ้นมาจากการไม่รู้จักบาปุลขุนโทษก็นี่ถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเกิดขึ้นจากผู้ที่เป็นต้นคิดมีความคิดที่วิปริตปฏิเสธบาปุลคุณโทษไม่ยอมรับเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมทั้งในชาตินั้นในการต่อไปตอลอดทังในพวกชาติต่อๆไปไปฏิเสธ เ, เรื่องของสังสารวัฏ เป็นสงครามมหาภาราตยุทธ์ที่มีการรบต่อสู้กันในประเทศอินเดียก่อนสมัยพุทธกาลเป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองกลุ่มเป็นลูกพี่ลูกน้องกันในคณะบุคคลที่ร่วมกันต่อสู้นั้นก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นครูบาอาจารย์กระสิทธิ์กันทั้งนั้นแต่การที่เขาฆ่ากันได้โดยไม่สํานึกถึงบาปุลคุณโทษ ก็เพราะก็มีความรู้สึกว่าบาปไม่มีกรรมไม่มีผลบาปไม่มีผลของบุญก็ไม่มีที่คิดร้ายยิงไปกว่านั้นก็ถืถอว่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าเพราะแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของวัตถุดาบเองก็เป็นวัตถุคนเองก็เป็นวัตถุคนที่แทงเองก็เป็นวัตถุก็เป็นเรื่องของวัตถุที่แทงเข้าไปในวัตถุตานั้นเอง บาปจึงไม่มีอะไรและตัวจิตจริงๆนั้นถือว่าใครฆ่าให้ตายไม่ได้เพรางการฆ่าในคราวนั้นก็มีการอา ธ, าธิบายมีการบรรยายกันในรูปของการทำบุญแล้วก็ยกย่องสรรเสริญผู้เป็นหัวหน้าในครั้งนั้นว่าเป็นผู้ทำบุญมากสามารถบังเกิดเป็นเทวดาได้โดยไม่ต้องตายไปก่อน ย้ายจากโลกมนุษย์ไปอยู่ในเทวโลกทีเดียวแต่เราตึงความรุนแรงต่างๆที่ปรากฏในประเทศญี่ปุ่นยังสืบเนื่องมาจากลัทธิบูชิโดเป็นความคิดแนวเดียวกันก็ถือว่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่ า, าออกมาเป็นรูปของซามูไรแต่ยุคซามูไรมองการฆ่าเป็นเรื่องการทําบุญไป เราก็เลยหายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่บุลทําอะไรได้อย่างนั้นไม่ไปคํานึงถึงบาปบุญอะไรก็เพราะความคิดโดยนัยดังกล่าวนั่นเองสามารถที่จะขับเครื่องบินปักหัวเครื่องบินลงไปในเรือรบของข้าศึกได้แล้วก็ถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทําที่เป็นบุญแสดงว่าพวกเหล่านี้ที่จริงยอมรับความมีอยู่ของบุญบาปแต่ไม่เข้าใจว่าบุญบาปนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นมาจากอะไร เป็นอาการของวิชาอีกระดับหนึ่งแล้วก็สร้างความรุนแรงขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยตลอดถึงความคิดที่เป็นสงครามาศาสนาที่มีการรบยืดเยื้อกันอยู่ในในโลกตั้งเวลายาวนานถึง217 270ปีเมื่อเกิดขึ้นมาจากความคิดวัฒ า, าค่าคนที่ทรยศและไม่ปาก มีน้ำซ้าอย่างเป็นการทําบุญเพื่อช่วยขจัดศัตรูให้พระผู้เป็นเจ้าออกไปคนตอนนี้ที่รบกันไปรบกันมาต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าได้ทําบุญกันเลยก็ทําบุญกันเป็นการใหญ่คนตายกันเป็นจํานวนมากสงครามบางครั้งบางคราวตายกันเป็นสิบสิบล้านพื้นฐานความคิดก็มาจากอวิชชาทั้งนั้นเรื่ปัญหาใหญ่ต่างๆจึงสืบเนื่องมาจากอวิชชา แม้แต่ปัญหาที่มีการประโรควิตกกังวลกันในสังคมเราปัจจุบันที่พูดถึงปัญหาเรื่องความไม่รู้ความยากไร้การมีโรคภยคัยไข้เจ็บมากและขาดการวางแผนครอบครัวก่อเกิดปัญหาสังคมที่มีอาการวิตกกังวลกันมาหลายปีแล้วที่จึงตัวการใหญ่ก็มาจากตัวความไม่รู้เพราะถ้าคนเรามีการศึกษามีการเรียนรู้แล้วมันก็มี ความคิดความอ่านมีความฉลาดสามารถที่จะประกอบภารกิจการงานมันก็แก้ความยากร้ายได้ไหนจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็มีเงินมีทองในการบำบัดแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้วิชาความรู้นั้นป้องกันโรคภัยไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าลดความรุนแรงของโรคภัยลงไปได้จะมีความคิดความอ่านที่จะวางแผนครอบครัวตัวเองให้เกิดการอยู่ดีมีสุขได้ ตัการใญ่มันก็มาจากอาวิชชาดังนั้นอย่างที่อัตชิมานพอาชิตมานพได้มากราบทูนถามพระพุทธเจ้าวราโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรผิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดพระเจ้าทรงสรุปรวมว่าโลกคือคือหมู่สัตว์อวิชชาผิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดเมื่อหลงดุดอยู่ในที่มืดมันก็ไม่มองเห็นอะไรเพราะมันมืด และอะไรที่จะส า, สามารถขจัดความมืดได้ก็ส่งแสดงที่สติและปัญญาเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างอาวิชชาเป็นความมืดเป็นสภาวะตรงกันข้ามที่ไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันภาพที่เป็นรูปธรรมในจุดใดในขณะใดที่มีความมืดในจุดนั้นในขณะนั้นก็ไม่มีแสงสว่างในตํานองตรงกันข้ามแสงสว่างเกิดขึ้นในจุดใดในจุดนั้นก็ไม่มีความมืดในขณะนั้น สิ่งตรง น, นี้ท่านเรียกว่าเป็นปฏิปักษธรรมคือตรงกันข้ามกันเพราะการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าบรรลุภยานบ้างบรรลุวิชาบ้างเกิดปัญญาสัจรูขึ้นมาบ้างแต่และอย่างก็หมายถึงแสงสว่างเท่านั้นเพราะไป ร, รับสั่งเล่าถึงการสัจรูของพระองค์ ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางจิตที่ผ่านระบบการฝึกปรืออบรมเมืม่อเรียงลำดับแล้วก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีกายวาจาสะอาดมีจิตใจที่สงบปีปัญญาสว่างสวยขึ้นภายในจิตที่ทรงแสดงสภาพจิตกรจะสรุว่า เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ในเรื่องต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นความรู้คล้ายๆกับจุดแสงสว่างขึ้นและแสงสว่างนั้นจะแผ่กระจายออกไปจากจุดที่ใกล้จิตจนกระจายออกไปเต็มพื้นที่ที่แสงสว่างจะส่องปิดทถึง ซึ่งก็หมายความว่าความมืดในท่งนั้นก็ถูกขจัดไปโดยลาดับเช่นเดียวกันเราสั่งเป็นรูปธรรมว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปนั่นเป็นการแสดงสภาพจิตที่เป็นนามธรรมจะถามว่าเหมือนอะไรเหมือนก็แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเห็นว่าสภาพจิต ซึ่งเป็นนามธรรมกับสภาพที่เป็นวัตถุรมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันมากความเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งจะไม่ปรากฏแต่ถ้าสิ่งหนึ่งอยู่ตรงนั้นยั่งยืนถาวร อ, อีกทรงสิ่งตรงกันข้ามก็จะไม่ปรากฏในจุดนั้นก็คล้ายๆกับตลอดเวลากลางวันจะไม่มีความมืดเกิดขึ้นจนมืดมิดไปเลยอาจจะมีเมฆมีอะไรมาบางังดวงอาทิตย์ไปบ้าง แต่ว่าไม่ใช่ความมดดืดเด็ดขาดหรือความมืดที่มืดตึื้อไปจิตใจของบุคคลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ใดที่มีปัญญาบางเกิดขึ้นภายในจิตใจสาสตาณวิชาค็จะลดความรุนแรงลงไปโดยลำดับในอการปฏิบัติเมื่อเราจะพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดเรื่องอริยบุคูลเรื่องฐานศีลภาวนากระตาัก ที่จริงแล้วเป็นการปฏิบัติโดยนัยยะเดียวกันผลปรากฏแก่จิตแนวเดียวกันและปฏิกิริยาต่ออารมณ์ต่อสังคมที่เกิดขึ้นภายในจิตก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันเพราะไหรเพราะเป็นการเพิ่มพูนความสะอาดทางกายทางวาจาขึ้นเพิ่มพูนเพิ่มพูนความสงบให้มากขึ้นภายในจิตใจ จิตที่สงบนั้นก่อให้เกิดปัญญาและปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองก็จะเพิ่มความสงบขึ้นคราวนี้ท่านสาธาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าพวกนี้เป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันแค่ๆก็เราจุดไฟขึ้นก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันก็แสงสว่างนั่นเองย้อนมาให้ความสว่างแก่เรา เราเป็นคนจุดแสงสวา่างแต่ว่าแสงสว่าง น, นั้นก็ย้อนกลับมาให้เราให้เราสว่างขึ้นศีนสมาธิปัญญาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความสมาธินั้นจะเพิ่มปัญญาขึ้นพอปัญญาที่เพิ่มขึ้นมันก็กลับมาเพิ่มพลังของสมาธิสมาธิก็เพิ่มพลังของปัญญาจนกว่าจะมีความสมบูรณ์ ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์หมายความว่าธรรมะทั้งสามประการนั้นอิงอาศัยซึกกันและกันปริมาณของปัญญานั้นถึงสังเกตว่าจะทรงแสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันแต่เป็นการแสดงในรูปค่อยๆเพิ่มขึ้นมีกำลังมีพลังสูงมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็เกิดขึ้นทำลําพังไม่ได้มันจะต้องอิงอาศัยปัจจัยต่างๆเข้ามาเสริมสร้างเข้ามาสนับสนุนเช่นตัวอย่างในรูปของอินทรี่ห้ในการพัฒนาปัญญาขึ้นไปนั้นจะต้องอาศัยความเชื่อมัน่นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามจะต้องอาศัยสติตัดจ้องอาศัยสมาธิจึงสามารถเพิ่มพูนพัฒ พัฒนาปัญญาขึ้นไปได้ปัญญาในขั้นของการวิเคราะห์วิจัยการตรวจสอบการเทียบเคียงสิ่งเหล่านั้นซึ่งแสดงว่าปริมาณปัญญาความรอบรู้จะต้องเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันพลังของความเชื่อพลังของความเพียนพยายามที่มุ่งมั่นเพื่อขจัดความไม่รู้ในจุดนั้น ล ด, ดน้อยลงไปแล้วก็เพิ่มปริมาณความรู้ขึ้นแต่ตัวความไม่รู้เราขาจัดเองไม่ได้นอกจากเราจะเพิ่มตัวความรู้ขึ้นไปคล้ายๆกับเราจะขจัดความมืดด้วยลำพังตัวเราเองไม่ได้เราทำได้แค่จุดแสงสวา่างขึ้นเพราะนพระพลของความเพียรก็ต้องสูงแต่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าฉลาดฉเฉลียวกนี้พงสังเกตในแนวของปฏิสัมพิธา ทจริงทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาหรือแนวของสัพพิริสธรรมเจ็ดประการที่จริงเป็นเรื่องปัญญาคําเดียวแต่เป็นปัญญาในภาคของการใช้งานว่าในจุนดหนึ่งในขณะหนึ่งนั้นพึงสังเกตว่ามันไม่ใช่เดียวๆแต่ว่มีสิ่งประกอบต่างๆเป็นอันมากเช่นในขณะที่เรานั่งกันอยู่ในที่นี้ มีตัวเรามีคนอื่นแล้วก็มีกลุ่มคนในขณะเดียวกันก็มีเวลามีสถานที่มีสถานภาพที่เหมาะที่ควรในกรณีนั้นๆัซึ่งก็หมายความทุกเรื่องเราใช้ปัญญาไปแล้วอาจจะถูกตรงหนึ่งแต่มันผิดอีกตรงหนึ่งปัญญาจึงต้องมองในแนวของการรอบครอบรอบด้าน เพื่อไม่เกิดปัญหาติดตามมาทำนองคล้ายๆกับการบำบัดโรคแล้วจะต้องไม่มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาเพราะถ้ามาอย่างนั้นก็รักษาโรคไม่หายสักทีหนึ่งปริมาณของปัญญาจะมีรูปของแสงสว่างที่เป็นรัศมีแผ่ตัวเองรอบจะนราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นวงกลมหรือทุกด้านแสงสว่างที่แผ่ไปนั้นสัมผัสได้ทุกด้าน ซึ่งก็หมายความว่าเวลาต้องขจัดจริงๆก็ไม่ใช่ขจัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็จัดความมืดรอบด้านก็หมายความมาทำให้เราเห็นรอบด้านเหนรอบด้านมันก็กลายเป็นความรอบรู้เรียกว่ารู้รอบหรือรอบรู้อย่างที่เรียงลำดับปัญญาไว้เป็นสามลำดับ การเรียนรู้ทางภาษาทสัมผัธ์ตัวนี้แท้จริงแล้วเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ช่วยนําสิ่งเหล่านั้นมาคิดพิิพิจารณาเพราะตรงนั้นไม่ใช่สัจธรรมที่สมบูรณ์หรือว่าเราจะเรียนจากอะไรก็ตามเรียนที่เป็นผลผลจากมนุษย์หรือว่าเรียนจากที่เป็นผลผลของธรรมชาติหรือว่าประสม ป, ประสานกัน ส่งนั้นไม่ใช่ความถูกต้องสมบูรณ์แต่เป็นข้อมูลในการศึกษาการวิเคราะห์การสวสอบม า, าเราต้องนำมาพิจารณาเทียบเคียงในแนวกรอบรอบๆด้านนะคนับงแต่ก็จริงก็ยังไม่ถึงขัขึงความสมบูรณ์มันจะต้องมีประสบการณ์ตรงทางจิต พิสัมภัตผลศีลผลทานผลภาวนาผลของธรรมะปฏิบัติทั้งหลายที่จิตเพราะปัญญามันต้องออกมาในรูปของภาวนามมย์ปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นสัมปัตตรงจริงๆซึงก็ข้ากัหลักพระธรรมคุณที่กล่าวอยู่เสมอว่าสันติโกกับปัจจิตังมิรุตโภมโยชี ผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองแต่คนที่จะบรรลุได้นั้นต้องเป็นบินยูชนคือคนที่มีปัญญาเท่านั้นแต่คนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะปัญหาใหญ่มาจากกับวิชาดังกล่าวเมือ่อปัญญาเกิดขึ้นก็นลดความรุนแรงกัมวิชาก็ทําให้เห็นอะไรขึ้นมามีความสมเหตุสมผลขึ้นเพราะแนวความรู้จึงมีทุกแง่ทุกมุ อาง ท, ทงแสดงไว้ในปฏิสัมพิทาสีที่จริงก็คือเรื่องของปัญญาเช่นเดียวกันแต่ว่าจะต้องเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลอะไรเป็นเหตุว่าอะไรอะไรเป็นผลของอะไรบางทีเหตุเป็นจุดเล็กๆแต่ผ่านการเวลาไปผลมากระจายออกไปโดยตทัๆทํานองคล้ายๆกับสาเหตุของโรคทิศเดียว แล้วต่อมาก็ลุกลามได้เชื้อผสมผสานเข้ากับไปกันใหญ่โตคงทีก็ตายได้เลยบางทีก็คล้ายๆกับไฟไหม้เมืองก็ปรากฏว่าเกิดจะไฟช็อตนิ้เดียวอย่างที่โบราณนั้นพูดว่าจากไม่ขีดกั้นเดียวลักษณะเหล่านี้เราสามารถจะเรียนจากอะไรก็ได้เรียนจากแม่น้ำขนาดยาวเป็นพันๆกิโล ไปจิงเมื่อเกิดมาจากตาน้ำตาลเดียวต่มีเหตุปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนเรื่อยๆมก็ขยายกำลังออกไปเรื่อยๆลักษณะการเพิ่มของสิ่งทั้งหลายในส่วนที่เป็นนามธรรมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นาะการกระจายในแนวเหตุผลจึงมองย้อนอดีตมองคาดหมายในอนาคตได้ นั่นเราจึงพบอวิชชาที่ท่งแสดงในช่วงหลังที่ว่ารู้อดีตรู้อนาคตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างอาดีตกับอนาคตได้พอเชื่อมโยงไม่ได้มันก็ยุ่งมันเกิดปัญหาการปฏิเสธการไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งกรณีอย่างที่เคยยกตัวอย่าง ที่ท่านสีหาเสนาวดีตอบคําถามพระพุทธเจ้ามันแสดงเห็นว่าคนเราจะเก่งยังไงก็ตามส่วนหนึ่งเราต้องใช้ศรัทธาออกเราจะรู้ไปหมดไม่ได้ส่วนหนึ่งเราก็ใช้ปัญญาได้แต่ปัญญานั้นก็อิงเกาะ อ, อิงอยู่กับศรัทธาด้วยและศรัทธาเองก็ต้องเกาะ อ, อิงด้วยปัญญา ย่างีหเสนาบดีกราบพูลถามอา น, นิสงค์ของทานต่อพระพุทธเจ้าว่าคนที่เป็นทานอับดีหรือผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานยินดีในการให้ทานในการจำแนกทานอยู่เสมอจะได้ผลได้อา น, นิสงค์ยังไงบ้างพระเจ้ทาทรงสแสดงอา น, นิสงค์ซึ่งตามปกติเราพบว่ามักจะมีห้าข้อแต่พอแสดงกษสีหัตเสนาบดีปรากฏท่าทรงสแสดงทั้งหข้อ คือหนึ่งผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รับของผู้รับทานสัดุุ่ษทั้งหลายย่อมคบหาสมาคมกับบุคคลผู้ให้ทานเกียรติคุณอันดีงามเป็นที่ยอมรับรัตถืยอถยกย่องของคนทั้งหลายแต่ข้าไปในสมาคมใดโกงอาจกล้าหาญไม่ขันขามขมเกรงเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสมาคมหลานั้นก่อนจะตายก็จะมีสติคือตายยังมีสติไม่ลงตาย ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุกติโลกสวัสดิ์ท่านสีหเสนาบดีเป็นทานาบดียินดีในการให้ทานตั้งโรงทานจำแนกทานอยู่ตลอดพอรับสั่งแสดงปั๊บสีข้อแรกท่านสัมผัสมาแล้วทั้งนั้นท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสีข้อแรกนั้นคาบรงไม่ต้องเชื่อพระผู้มีรพระภาค ก, าก็ได้เพราะว่าคับรงสัมผัสมาแล้ว แต่สองข้อหลังนั้นไม่รู้ท่านไม่เคยสัมผัสไม่หลงตากระตาไปแล้วบังเกิดในสุคติท่านก็ยังไม่ตายอันจึงไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนแล้วก่อนตายจะเป็นยังไงแต่ท่านเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรูนั่นคือวิธีคิดของบัณฑิตเขาบัณฑิตเขาไม่ได้คิดประเมินตัวเองยิ่งใหญ่จนรอบรู้ไปเ ส, เสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถึงจุดหนึ่งเราใช้ความเชื่อจุดหนึ่งใช้ปัญญาที่ยังอิงอาศัยศรัทธาแต่ความเชื่อเอมก็อิงอาศัยปัญญาหรืออย่างที่พระเจ้ามัทธุราชวัติบุตได้แสดงความเห็นเรื่อง และที่ความเชื่อของพราหมณ์ที่ถือว่าพราหมณ์นั้นเป็นวันนะบริสุทธิ์เป็นวันนะประเสริฐเกิดจากอดของพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะจึงยิ่งใหญ่เหนือกว่าคนทั้งหล า, า, ายพนระมหากระจ่ายณะได้แสดงความไม่ต่างของวันนะสี่ให้ฟังห้าข้อคือหนึ่งวันนะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีวันนะเดียวกันและวันนะอื่นก็จะเข้าเป็นลูกน้องเป็นผู้รับใช้ เป็นลูกจ้างของวรณะเหล่านั้นวานาใดกระทาผิดกฎหมายบ้านเมืองวณา น, นั้นจะถูกจับคุ ม, ค, มคุมขังลงโทษเช่นเดียวกันวานาใดกระทาบาปกระทำมกุศลต้องประสบผลเมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนในปัจจุบนันตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกติด้วยกันวานาใดประพฤติปฏิบัติในกุศลและธรรมยอมรับความสุขในปัจจุบนันเขาตายไปแล้วบังเกิดในสุขติด้วยกัน ปณัตไดออกบวชตั้งมั่นในศีลในธรรมมีความงามพร้อมด้วยศีลาอาจาระก็จะเป็นที่เคารพนับถือยกย่องของคนทั้งหลายเช่นเดียวกันซึ่งพระเจ้ามัทุระตวันตีบุตรนั้นยอมรับทันทีในสามข้อแต่พอมาถึงข้อที่สามกับข้อที่สี่ คือตายไปแล้วบังเกิดในทุกติก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุกตินั้นท่านบอกว่าท่านไม่รู้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายกล่าวว่าอย่างนั้นมั้นเข้าไปเจ้าขอยเชื่อถ้อยคําพระอรหันต์ทั้งหลายนิ่เป็นการแสดงเห็นว่าท่ามกลางของอวิชชาบุคคลจะต้องมีหลักธรรมะที่มีการใช้ไปอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพัฒนาตัวตัวการพัฒนาปัญญาขึ้นไปนั้นให้อยู่ในจุดที่ทรงใช้คำว่าปัญญาที่รักษาตนคุ้มครองตัวเองได้คำคำหนึ่งที่ทรงใช้มากคือปริหารยัปัญญาแปลว่าปัญญาที่บริหารตัวเองได้สามารถจะป้องกันสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายไม่เกิดขึ้นได้ สามารถบรรเทาขาจัดลดละสิ่งที่เลวร้ายต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในชีวิตของตัวเองได้สามารถจะเพิ่มพูนสิ่งดีงามขึ้นใ ห, ให้เป็นลักษณะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นไปโดยลำดับมันเติบโตเช่นส่วนรูปธรรมของชีวิตจนถึงแก่เราจะเห็นว่า ตำแนวของพระพุทธศาสนานั้นในส่วนที่เป็นสภาวธรรมเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาที่ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกเเรทนาตานั้นจะทรงสอนในแนวขั้นการกําหนดรูป้ปรับใจยอมรับความจรงิงอย่างแนวที่สอนพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพัดพราดแต่ในขณะเดียวกันในทำกลางความแก่ น, นเด้งก็ทรงสอนในรูปของการชดเชย เพราะคนแก่นั้นเป็นรัตัญยูคือเป็นผู้รู้ราตรีนานผ่านการเวลาประมาณเมื่อควรจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวประสบพบเห็นและนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นหลักในการคิดในการพิจารณาในการตัดสินปัญหาต่างๆแต่เราถึงในการลดละการเพิ่มพูนสิ่งดีงามทั้งหลายได้แล้ก็ส่งสอนในแนวของการเพิ่ม เแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาแก่ธรรมะทั้งหลายขึ้นชนคนแก่จะเน้นไปแนวของพรมปิหารแนวของเน้นการเอเว้นจากอาคาติทั้งสี่ประการซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปัญญาข้อกำกับอยู่ที่ตัวอุเบคาอุเบคาเป็นลักษณะของปัญญาเพ่งพินิษพิจนารณาดูว่าอะไรควรจะปฏิบัติยังไง ถึงจะเป็นการถูกต้องเหมาะสมแล้วปฏิบัติไปตามนั่นบางทีท่านสอนให้มองดูภาพคล้ายๆกับมแมลงมุมชักใหญ่แล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่ตรงกลางเวลามีอะไรมาติดตาไข่เป็นควรจะออกไปถ้าเป็นอาหารก็ออกไปกินแล้วก็กลับมามาอยู่ตรงเดิมบางทีเป็นลมเฉยๆก็ดูเฉยๆ บางทีก็เป็นฝุ่นละอองเป็นขยะเป็นใบไม้เล็ ก, ลกๆก็ดูเฉย ๆ, ๆก็ไม่ออกมาแต่บางทีไป่วงออกมากมันก็ดึงออกเพราะจิตใจเนี่ยตามปกติแล้วจะมีความสงบของมันคือตัวตัวของแมงมุมเองนั้นจะมีความสงบอยู่ประเมินก็จิตใจเรามีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษา เดี๋ยวก็ใช้ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนนั้ น, น, นตัวการสาคัญจริงๆก็คือตัวเหตุตัวรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรอะไรเป็นผลของอะไรและสามารถเชื่อมโยงกลับไปกลับมาได้เป็นปัญญาที่ท่านเรียกว่านิปโก ค, คือคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเอง ตัวนี้ที่จริงระดับหนึ่งก็ไม่ถึงกับทำลายวิชาได้แต่ว่าเป็นความมืดที่จางลงไปจะไปไหนมาไหนมันก็สะดวกขึ้นมองซ้ายมองขวาก็ไปเห็นหนทางบ้างไม่ใช่มืดมิดจริงๆรามารถจกลายเป็นเครื่องลดความรุนแรงที่ท่านเรียกว่าสันเล็ขะคือขัดกราววิชาไปเรื่อยๆ แนวาการฟังก็ดีแนวาการเรียนรู้ก็ดีแนวาการคิดก็ดีแนวาการปฏิบัติก็ดีเป็นการเพิ่มเหตุผลเพิ่มสติปัญญาขึ้นซึ่งหมายความพอเหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นรู้ความมืดบอดก็จะจางลงไปบรรเทาลงไปสงบลงไปใจก็จะมีปัญญาคุ้มครองตัวเองทรงตัวเองได้มากยิ่งขึ้น แต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป